ต่อไปนี้จะได้พูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันขอความกรุณาให้ตั้งอยู่ในความสงบกายสงบวาจาและสงบใจกายวาจาสงบเป็นศีลใจสงบเป็นสมาธิพอมี ศสีลมีสมาธิเวลาฟังธรรมก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดการบรรลุ ธ, ธรรมเกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการตั้งใจฟังธรรมการนั่งอยู่ด้วยกิริยาที่สงบจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการฟังธรรมถ้ากายวาจาใจไม่สงบการฟังธรรมก็จะไม่เกิดผลฟังไปก็จะเสียเวลาเปล่าๆเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาไปแต่ถ้าฟังด้วยความสงบกายสงบวาจาและสงบใจ ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรวาจาไม่พูดไม่คุยกันใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆตั้งใจฟังเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูถ้าพิจารณาตามได้เกิดความเข้าใจก็จะเกิด มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาถ้ายัางพิจารณาไม่เข้าใจแต่ตั้งใจฟังจดใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมใจก็จะสงบจะเย็นจะสบายธรรมดาเวลานั่งสมาธิถามลำพังนี้จะยากจะนั่งได้ไม่นานและจะไม่ค่อยสงบ แต่เวลาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมไปแล้วใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ใจจะสงบใจจะเย็นจะสบายจะนั่งอยู่ได้นานการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมจึงมีประโยชน์หลายประการด้วยกัน คือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อฟังซ้มอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดำับสามจะทำให้กระจัดความสงสัยต่างๆไปได้สี่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความรู้ความฉลาดห้าจะทำให้จิตใจผ่องใสจิตใจสงบนี่คือผลที่จะได้รับหากฟังทำด้วยศีลด้วยสมาธิคือด้วยกายวาจาใจที่สงบนั่นเองดังนั้นเวลาที่เราฟังทำ เราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังคือไม่ต้องไปจดไปจำเราฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจถ้าครั้งนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ปล่อยผ่านไปก่อนการฟังธรรมนี้ไม่ใช่ฟังกันครั้งสองครั้งเท่านั้นเป็นการฟังอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดก็ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าทำตามสมัยโบราณที่ต้องไปวัดกันถึงจะได้มีการฟังเทศฟังธรรมกันแต่ในสมัยปัจจุบันนี้เราสามารถฟังธรรมได้ทุกวันทุกเวลาเลยเพราะเดี๋ยวนี้เรามีสื่อที่บันทึกเสียงธรรมเอาไว้ที่เราสามารถเปิดฟังได้ไม่ว่าเราจะ อยู่ที่ไหนก็ตามเวลาใดก็ตามการฟังธรรมนี้จะทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติถ้าธรรมที่เราฟังนี้เป็นธรรมที่ถูกต้องเป็นสวากขาโตภะกวตาธรรมโมคือธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วของพระพุทธเจ้า ธรรมที่จะเป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโนี้ก็ต้องเป็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการศึกษาได้ยินได้ฟังมานี้แล้วจดจำมาพูดนี้จาอาจจะไม่ตรงกับความจริงเพราะพูดฟังนี้ฟังไปแล้วก็จำไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง อมาพูดถ่ายทอดอีกทีก็ไม่ได้พูดตรงกับหลักธรรมทั้งหมดเพราะว่าความจําคาดเคลื่อนไปแต่ถ้าพูดออกจากการปฏิบัติคือได้รับผลจากการปฏิบัติมาแล้วแล้วมาแสดงก็จะเป็นธรรมที่ไม่มีวันคาดเคลื่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏ ขึ้นมาภายในจิตใจรู้จากการปฏิบัติรู้ว่าการกระทำแบบนี้จะได้ผลอย่างนี้แต่ถ้าฟังมาเฉยๆแล้วไม่ได้ปฏิบัติพอมาพูดอาจจะพูดไปว่าทำแบบนี้แล้วก็จะได้แบบนั้นดังนั้นถ้าเราฟังทำจากผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่ได้เพียงแต่ศึกษา ได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาได้จดจำมาแล้วนำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นการถ่ายทอดนี้ก็จะเกิดการคลาดเคลื่อนได้เพราะความจำนี้ย่อมเลือนลางไปได้สิ่งที่ได้ฟังมาอาจจะเลื่อนลางไปแล้วพอมาพูดใหม่ก็เลยพูดกันเป็นคนละเรื่องไป ดังนั้นผู้ที่ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมจึงมักจะแสวงหาฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่รู้จริงเห็นจริงก็คือผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนั่นเองในหลักธรรมนั้นก็สแสดงไว้สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แก่พระอริยบุคคลสี่ประเภทด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหรันการฟังเทศฟังธรรมจากบุคคลเหล่านี้ก็จะได้ธรรมะในระดับต่างๆกันไปถ้าฟังจากพระโสดาบัน ก็จะได้ทำขั้นโสดาบันเป็นอย่างมากถ้าฟังจากพระสกิดาคามีก็จะได้ทำระดับสกิดาคามีสูงกว่าขั้นของพระอรหัพระโสดาบันแต่ต่ำกว่าขั้นของพระอนาคามีถ้าฟังธรรมของพระอนาคามีก็จะได้ระดับอนาคามีแต่ยังต่ำกว่าระดับของพระอระหรันต์ ถ้าฟังธรรมจากพระอาหารหันต์ก็จะได้ทำระดับสูงสุดถ้าได้ทำได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็จะได้ระดับสูงสุดเช่นเดียวกันแต่อาจจะได้ความอาจารชัดได้มากกว่าฟังจากพระอาหารหันต์เนื่องจากพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาที่ฉลาดแหลมคมที่สามารถ พูดธรรมที่ตรงใจของผู้ฟังได้ทำให้ผู้ฟังนี้สามารถเข้าอกเข้าใจถึงธรรมอันลึกซึ้งได้อย่างง่ายดายความสามารถในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านี้จึงมีมากกว่าพระอาราหันต์พระอนาคามมพระสกิดาคามมและพระสโสดาบัน การทำบุญกับบุคคลเหล่านี้จึงได้บุญแตกต่างกันไปคือการทำบุญนี้มีสองอันทสงสองผลประโยชน์ที่เราจะได้รับประโยชน์อันแรกคือการชำระความตนีชนะความโลภชาระความโลภชำระความหึงหวงความยึดติดใน สมบัติเข้าของเงินทองอันนี้ไม่ว่าจะทำกับใครถ้าทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์คือไม่มีความโลภอยากได้อะไรเป็นผลตอบแทนนอกจากจะต้องการสละทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีมากเกินไปเพื่อแบ่งปันประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่น ด้วยความเมตตากรุณาทํากับใครก็จะได้อ น, นิสงส์เหมือนกันก็คือได้ความสุขใจได้ความอิ่มเอิบใจได้ความภูมิใจอันนี้ไม่ต้องเลือกกับไม่ต้องเลือกบุคคลก็ได้ทํากับใครถ้าเห็นว่าเขาเดือดร้อนแล้วเราให้ความช่วยเหลือกับเขา เราก็จะได้บุญเหมือนกันทำบุญกับสุนักก็ได้ทำบุญกับขอทานก็ได้ทำบุญกับคนที่เราลักเราเคารพเช่นบิดามารดาก็ได้ทำบุญกับพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆขั้นไหนก็ได้ก็จะได้บุญคือความรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจพอใจ เท่ากันหมดบุญชนิดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้รับอยู่ที่การให้ของเราอยู่ที่การเสียสละอยู่ที่การมีความเมตตากรุณาต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือต่อผู้ที่เรามีความสํานึกในบุญในคุณ ด้วยต่อบุคคลที่เรามีความรักความชื่นชมยินดีเราให้แล้วเราก็จะได้ความสุขใจความสุขใจนี้เรียกว่าบุญอย่างหนึ่งแต่บุญอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาจะให้กับเราได้ ถ้าเราไปทําบุญกับคนธรรมดาเขาก็จะไม่มีธรรมะระดับพระอริยะบุคคลมอบให้กับเราคือเวลาเราคุยกับเขาเขาคุยกับเราเขาก็จะพูดไปตามภูมิจิตภูมิธรรมของเขาถ้าเขาเป็นปุถุชนธรรมดาเขาก็จะพูดเรื่องของปุถุชนธรรมดา ถ้าได้คุยกับพระโสดาบันได้ทำบุญกับพระโสดาบันแล้วได้ฟังธรรมจากพระโสดาบันก็จะได้ทำระดับพระโสดาบันที่อาจจะทำให้เราบรรลุเป็นพระโสดาบันไดจากการฟังธรรมจากท่านอันนี้จะเป็นผลบุญขั้นที่สองืุส่วนที่สองอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เรา ได้ทําบุญด้วยถ้าเราทําบุญกับพระโสดาบันเราก็จะได้ธรรมะระดับโสดาบันแต่เราจะไม่ได้ระดับสูงไปวกว่านั้นถ้าเราทําบุญกับพระสักดิราคามีเราก็ได้ธรรมะระดับสักดิราคามีสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งถ้าเราทําบุญกับพระอนาคามีเราก็จะได้ธรรมะระดับอนาคามี ถ้าเราทำบุญกับพระอาหารหันต์เราก็จะได้บุญระดับพระอาหารหันต์เป็นระดับสูงสุดคือพระนิพพานนี่คือบุญที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยถ้าเราต้องการบุญแบบแบบนี้เราก็ต้องเลือกบุคคลเราต้องหาคนที่มีธรรมะมากๆถ้าได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าเลย ก็จะได้บุญอย่างมากได้ธรรมะอย่างมากที่สุดเลยลองลงมาก็พาาระอรหันต์พระอนาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันตามก่านนั้นถ้าได้ทำบุญกับพระธรรมดาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระธรรมดาก็จะไม่ได้ทำระดับโสดาบันไม่ได้ทำระดับอริยะบุคคลก็จะได้ทำระดับของปุถุชน เช่นท่านจะสอนให้เราทาบุญให้ทานให้เรารักษาสิงให้เรานั่งสมาธิแต่ท่านจะไม่สอนทำระดับโล ก, กุตรละคือระดับของพระอริยบุคคลเราก็จะไม่ได้ทำระดับสูงไปกว่าขั้นสมาธินี่คือ <c oughs> เรื่องของการทาบุญ แล้วเราได้รับอ น, นิสงส์ที่แตกต่างไปมีสองชนิดด้วยกันจึงขอให้เรารู้จักแยกแยะบางท่านก็บอกว่าทําบุญกับใครก็ได้บุญเหมือนกันได้บุญเท่ากันอันนี้ก็ถูกถ้าบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันบุญที่เกิดจากการมีความเมตตาการุณาบุญที่ได้จากการชนะความ ตนีความโลภอยากได้เงินอยากได้ทองอันนี้ทากับใครก็ได้เหมือนกันหมดแต่ถ้าบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมอันนี้จะได้ไม่เหมือนกันถ้าทากับบุคคลที่มีระดับธรรมะที่แตกต่างกันไปดังนั้นถ้าเราต้องการธรรมะเป็นผลตอบแทนจากการทำบุญ เราก็ต้องพุ่งไปหาพระอริยบุคคลขั้นต่างๆแต่ถ้าเราไม่ต้องการธรรมะเราไม่ต้องการฟังเทศฟังธรรมเช่นบางท่านไปวัดขอได้ถวายสังฆทานขอให้พระสวดให้พรแล้วก็กวดน้ำเสร็จก็ขอกลับบ้านอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาพระอริยบุคคลทำกับพระธรรมดาก็ได้ หรือไม่ต้องทํากับพระก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ที่บ้านก็ได้พ่อแม่ก็เป็นพระพรมของลูกๆดีดีนี้เองก็จะได้บุญเหมือนกันแต่ถ้าอยากจะได้ดวงตาเห็นธรรมในระดับต่างๆอันนี้ต้องไปหาไปทําบุญกับผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือพระอริยะบุคคล ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปพอได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่านหูตาของเราก็จะสว่างขึ้นมาจะสว่างมากสว่างน้อยสว่างช้าสว่างเร็วก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราเวลาเราฟังใจเราจดจอ่ออยู่กับการฟังอย่างต่อเนื่องหรือไม่ฟังแล้วเราสามารถพิจารณา เหตุผลที่ได้แสดงไว้หรือไม่อันนี้ก็จะทําให้ผู้ฟังนี้แต่ละบุคคลมีได้รับผลแตกต่างกันไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระป ร, ะรมเทศนาครั้งแรกต่อพระปัญจ ว, วัคคีย์มีพระปัญจ ว, วัคคีย์อยู่ห้ารูปด้วยกัน ผู้ที่มีศีลสมาธิแล้วแต่ไม่มีปัญญาเวลาที่ทรงแสดงธรรมเสร็จแล้วก็ปรากฏมีเพียงหนึ่งท่านในในปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแต่อีกสี่รูปนีน้ยังไม่สามารถเห็นธรรมได้ อันนี้ก็เป็นเพราะว่าสติปัญญาของผู้ฟังยังมีความสามารถไม่เท่ากันการฟังสติจดจ่ออยู่กับการฟังไม่เท่ากันการพิจารณาเหตุผลที่ทรงแสดงไว้ก็พิจารณาได้ไม่เท่ากันจึงปรากฏมีผู้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเพียงรูปเดียว แต่หลังจากนั้นอีกไม่นานท่านที่ยังไม่ได้บรรลุท่านก็นำทมที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาไปค่ายควรต่อจนในที่สุดก็สามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้จนถึงขั้นสูงสุดได้พร้อมกันในในวาะต่อมาตอนที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับอนัตตา ที่เรียกว่าอนตัตตลักขณะสุดส่งสแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอนตัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเช่นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราลาบยศจำรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วข่าวมีเกิดแล้วมีดับไปเป็นธรรมดา พอได้ยินได้ฟังท่านก็เลยตัดความหลงยึดติดอยู่กับร่างกายยึดติดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายอยู่กับรูปเสียงกิริย์รสโภชพระอยู่กับลาบยศสรรเสริญเพราะไม่ต้องการที่จะมาทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องมีวันหมดไปเพราะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเพราะห้ามเขาไม่ได้ ถ้าไม่ให้เขาหมดไปไม่ได้เขาจะต้องหมดไปในที่สุดพอพิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้ก็ปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอปล่อยวางแล้วก็จะไม่ทุกข์กับการมาและการไปของสิ่งต่างๆเหมือนกับตอนนี้เราไม่ทุกข์กับสมบัติเข้าของเงินทองของบุคคลอื่นของผู้อื่น เราไม่ทุกข์กังวลกับร่างกายของคนอื่นก็เพราะว่าเราไม่ไปหลงยึดติดว่าเป็นของเราเรารู้ว่าไม่ได้เป็นของเราแต่สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่นี้เรากับหลงยึดติดว่าเป็นของเราความจริงก็เป็นเหมือนกับของคนอื่นต่างกันตรงที่ว่าตอนนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเอาไปใช้ไปทำอะไรได้เท่านั้นเอง แต่มาถึงเวลาหนึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับของคนอื่นคือเราจะไม่สามารถเอาไปใช้อะไรได้เช่นเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปมันก็เป็นเหมือนกับสมบัติของคนอื่นไปถ้าเรารู้อย่างนี้และเราไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นของเรามันก็จะเป็นเหมือนกับสมบัติของคนอื่นเวลาสมบัติของคนอื่นสูญไปหมดไป เราแม่เสีย อ, อกเสียใจแต่อย่างใดนี่คือการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบมีสติจดจอมีปัญญาพิจารณาตามเหตุตามผลที่ได้แสดงเอาไว้พอเข้าใจแล้วก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นว่า มีเกิดย่อมมีดับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเกิดแล้วต้องมีดับไปเป็นธรรมดา<ส> <cos> ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปห้ามไปสั่งเขาได้สั่งไปสั่งไม่ให้เขาดับไม่ได้สั่งไม่ให้เขาเสื่อมไม่ได้เขาจะดับเขาจะเสื่อมไม่มีใครไปห้ามได้ถ้าไปห้ามไปอยากไม่ให้เสื่อมไม่ให้ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องปล่อยวางอย่าไปอยากให้เขาไม่เสือ่อมอย่าไปอยากให้เขาไม่ดับพอไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีนี่คือการเห็นธรรมจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจะเห็นธรรมได้ก็ต้องมีกายวาจาใจที่สงบมีสียงมีสมาธิ และมีสติปัญญาความสามารถที่จะพิจารณาตามเหตุตามผลที่ได้ยินได้ฟังมาได้ถ้าเราฟังแล้วยังไม่ได้มีดวงตาเห็นธรรมก็แสดงว่าศีนของเรายัางไม่บริสุทธิ์กายวาจาของเรายัางไม่นิ่ง ใจของเรายัางไม่เป็นสมาธิพอนั่งแล้วไม่ฟังอย่างต่อเนื่องฟังไปพักหนึ่งแล้วก็แวบไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมีอะไรมากระทบกับใจมีเสียงหรือมีกลิ่นมีอะไรมามารบกวนใจใจก็จะลอยไปกับสิ่งที่มารบกวนมาสัมผัสกับใจตอนนั้นเวลา ทำที่ได้กำลังได้ยินได้ฟังก็จะไม่เข้าสู่ใจก็จะทำให้ไม่สามารถพิจารณาเหตุผลได้อย่างต่อเนื่องก็จะไม่เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจก็จะไม่เกิดการมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานี่คือเรื่องของ <c oughs> การฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด ผู้เทศผู้แสดงธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่แสดงธรรมที่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดจากการปฏิบัติถ้าเกิดจากการจำจดจำมาการแสดงก็จะไม่เป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นเป็นจริงบางส่วนบางส่วนไม่จริงเวลาฟังแล้วก็จะเกิดการ ขาดกันไม่สอดคล้องกันเพราะว่าสิ่งที่จดจำ ม, มานี้ไม่ได้จดจำ ม, มาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นั่นเองส่วนที่ลืมไปก็เอาความคิดมาแทรก็เอามาสอนแทนก็เลยทำให้ผู้ฟังนั้นไม่ได้เห็น เห็นผลอย่างเต็มที่มีความรู้สึกว่ามีอะไรขัดแย้งกันอยู่ระหว่างเหตุกับผลเมื่อมีการขัดแย้งกันระหว่างเหตุกับผลมันก็ไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้เช่นทุก์เกิดจากอะไรอย่างนี้ถ้าผู้ฟังฟังแล้วจำไม่ได้ก็อาจจะไปพูดว่าทุกเกิดจากเพราะว่า ความแก่ความเจ็บความตายซึ่งความจริงแล้วความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแต่ความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต่างหากเพราะว่าคนที่ไม่ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายก็มีเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ ท่านไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะว่าท่านไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองดังนั้นเวลาศึกษาแล้วไม่เอามาปฏิบัตินี้ก็จะเข้าใจผิดได้ก็จะไปว่าทุกข์เกิดจากความแก่ทุกข์เกิดจากความเจ็บทุกข์เกิดจากความตายทุกข์เกิดจากการพลาดาดจากของ ที่รักที่ชอบไปแต่ความจริงเราสามารถอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไม่มีความทุกข์เราสามารถอยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายอยู่กับการพาดพรากจากของที่เรารักเราชอบไปได้โดยที่ใจของเราไม่ทุกข์เลยถ้าเรามีปัญญารู้ทันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเรา จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างแน่นอนเราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่ไปต่อต้านเราไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเราจะไม่ทุกข์กับความแก่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความตายเลยเพราะว่าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นนั่นเองความทุกข์ของเราเกิดจากความอยาก ของเราให้สิ่งที่เป็นความจริงนี้เป็ น, เ ป, นเป็นอย่างอื่นสมมติว่าตอนนี้อากาศหนาวอย่างนี้ถ้าเราอยากจะให้อากาศร้อนขึ้นมาเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าเราจะไม่ชอบที่จะอยู่กับอากาศเย็นแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เป็นอากาศร้อน อากาศเย็นก็ปล่อยให้เขาเย็นไปอยู่กับความจริงไม่ได้อยู่กับความอยากใจของเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือวิธีการดำเนินชีวิตของเราเพื่อให้เราไม่ทุกข์ขอให้เราอยู่กับความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ตอนนี้มีอะไรถ้าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ ไม่ได้มีความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นหรือให้มีน้อยลงไปเราก็จะไม่มีความทุกข์เช่นมีความอยากให้มีอะไรเพิ่มมากขึ้นก็คืออยากให้มีเงินทองเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์ถ้ามีความอยากเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีหรืออยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้หมดไปให้มีน้อยลงไป แต่มันไม่มีมันยังอยู่เท่าเดิมเช่นอยากจะให้นี่สินมีน้อยลงไปแต่นี่สินมันก็ยังมีอยู่เท่าเดิมเพราะเรายังไม่มีปัญญาที่จะนาเอาเงินทองมาชดใช้นิสินที่เรามีอยู่ได้อยากให้มันมีน้อยลงไปก็จะทำให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆแต่ถ้าเรายอมรับความจริงแล้วก็อยู่กับมันไป ตอนนี้มีทรัพย์เท่านี้ก็พอใจกับเท่าที่มีอยู่เท่านี้ตอนนี้มีนี่อยู่เท่านี้ก็พอใจกับนี่ที่มีอยู่เท่านี้ก็จะไม่ทุกข์ใจถ้าคิดว่าเวลาตายไปก็เอาหนี้ไปไม่ได้เอาทรัพย์ไปไม่ได้อยู่ดีเวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาเราก็มาตัวเปล่า เราไม่ได้เอาอะไรมาติดตัวเลยแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราร่างกายนี้ก็เป็นของพ่อแม่ผลิตขึ้นมาแล้วเราก็มาอาศัยอยู่มาครอบครองเป็นสมบัติชิ้นแรกของเราออกจากท้องแม่มาเราก็เจริญเ ต, ติบโตด้วยอาหารพอเราโตมีความสามารถเราก็ไปหา สิ่งของต่างๆมาเป็นสมบัติของเราเพิ่มขึ้นไปทีละชิ้นทีละชิ้นหาเงินหาทองหาสามีหาภรรยาหาบุตรหาธิดาหามาจากความสามารถของเราแต่ของทุกอย่างที่เราหามาได้นี้พอเราตายไปพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ ไปตัวปล่าๆเหมือนกับตอนที่เรามาเราไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยถ้าเราเห็นความจริงอันนี้และไม่หลงว่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้หรือจะหรือได้มานี้เป็นของเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องทิ้งของพวกนี้ไปหมดเลยเราก็จะไม่ทุกกับการสูญเสียสิ่งต่างๆทั้งหลาย ที่เราได้มาเราจะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราจะไม่ทุกกับการจากไปจากของจากจากการที่เราจะต้องจากลาบยศสรรเสริญจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเพราะเรามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าของทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราว เหมือนกับเราไปพักที่โรงแรมเวลาเราออกจากโรงแรมเราไม่ได้เอาหมอนเอาเตียงเอาของที่อยู่ในโรงแรมติดตัวไปกับเราดะเราเอาไปเราไปอย่างไรเราก็ออกไปอย่างนั้นเราไปด้วยกระเป๋าใบเดียวเวลาเราออกจากโรงแรมเราก็เอากระเป๋าใบเดียวที่เราหิ้วไปนี้ออกไปดันใดเรามาอยู่ในโลกนี้เราก็มาตัวเปล่า พอเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าเปล่าแล้วเราจะมาทุกข์กับอะไรกับของอะไรต่างๆในโลกนี้ทำไมทุกข์ไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงความทุกข์ของเราอยู่ที่ความอยากอยากจะเอาของทุกอย่างไปกับเราคืออยากจะให้ของทุกอย่างที่เราได้นี่เป็นของเราไปตลอดแต่มันเป็นความไม่จริงเป็นไปไม่ได้ ความจริงก็คือมันจะต้องจากกันไปตอนนี้มีอยู่ก็อยู่กับมันไปถ้าอยู่แล้วอยากจะให้มันหายไปหมดไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเเช่นคนที่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าร่างกายนี้ไม่สามารถทำหน้าที่ต่างๆได้แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมมาพึกเป็นอมมาพาดไม่สามารถที่จะไป หาความสุขผ่านทางร่างกายได้แล้วตอนนั้นก็ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ต่อไปอันนี้ก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งทุกข์เพราะอยากจะให้มันตายไปถ้าร่างกายดีก็ทุกข์เพราะอยากจะไม่ให้มันตายมันทุกข์ทั้ ง, งทางทาที่ทุกข์ไม่ใช่ที่ร่างกายที่ทุกข์ก็คือที่ใจใจที่ไปอยากให้มัน ตายไปหรืออยากจะให้มันอยู่อยากจะให้มันไม่ตายแต่ถ้าเราไม่มีความอยากทั้งสองอย่างนี้ร่างกายจะอยู่ก็อยู่ไปจะตายก็ตายไปร่างกายจะอยู่ในสภาพใดจะสมบูรณ์แข็งแรงหรือจะเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไปถ้าเราไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่นเราจะไม่ทุกข์ ถ้าเราตั้งใจของเราให้อยู่กับความจริงการที่ใจของเราจะอยู่ความจริงได้ใจจะต้องนิ่งใจจะต้องเฉยนั่นเองใจจะต้องเป็นอุเบกขาวิธีที่จะทำใจให้เป็นอุเบกขาในเบื้องต้นก็ต้องใช้การเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบให้หยุดความคิดปรุงแต่งถ้าใจสงบไม่คิดปรุงแต่งใจก็จะนิ่งใจก็จะเป็นอุเบกขา แต่ถ้าอยากจะให้ใจนิ่งให้ใจสงบอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจเบื้องต้นใจจะนิ่งชั่วคราวเวลาที่เราหยุดความคิดปรุงแต่งใจเข้าสู่ในเข้าสู่สมาธิได้ตอนนั้นใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบจะนิ่งเฉยจะอยู่กับความจริงแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มีความอยากเข้ามาแทรก อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา ท, ทันทีวิธีที่เราจะรักษาความนิ่งความสงบของใจให้อยู่กับความจริงต่อไปก็ต้องทำลายความอยากที่แทรกเข้ามาความอยากนี่ก็เป็นเหมือนขโมยที่จะมาขึ้นบ้านจะมาขโมยทรัพย์ของเราเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องไล่ขโมยออกไปจากบ้านเรามีอาวุธเรามีปืนเราก็ยิงมัน ถ้าเราไม่มีอาวุธเรามีโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์เรียกตำรวจมาเพื่อให้มาจับขโมยมาไล่ขโมยไปความอยากนี่ก็เป็นเหมือนขโมยที่จะมาขโมยความนิ่งความสงบของใจไปถ้าเราอยากจะให้ใจของเรานิ่งให้ใจของเราสงบให้อยู่กับความจริงได้เราก็ต้องทำลายความอยาก อาวุธที่เราจะใช้การทําลายความอยากก็คือปัญญานี่ปัญญาก็คืออะไรก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทําอะไรไม่ได้จะไปเปลี่ยนความจริงไม่ได้ตอนนี้ลมพัดจะไปให้มันหยุดนี้หยุดไม่ได้ถ้าอยากให้ลมหยุดพัดนี้มันก็จะทุกข์ใจไปเปล่าๆเพราะจะไม่สามารถหยุดมันได้ ตอนนี้สามีจะจากเราไปก็ห้ามเขาไม่ได้ตอนนี้ภรรยาจะจากเราไปก็ห้ามเขาไม่ได้ตอนนี้เงินทองจะหมดไปก็ห้ามไม่ได้ตอนนี้เจ้าหนี้จะมาทวงหนี้ก็ห้ามเขาไม่ได้ <hed> แต่ถ้าเราทําใจเฉยๆ <oo> อยู่กับความจริงใครจะมาใครจะไปก็อยู่กับความจริงนี้ไปใครจะไปก็ปล่อยเขาไปใครจะมาก็ปล่อยเขามา เจ้านี่จะมาก็ให้เขามาเขาจะทวงนี่ก็ปล่อยเ็าทวงไปมีก็ให้เขาไปไม่มีก็ไม่ให้จะให้ทำอย่างไรจะให้ไปทุกขก็ก็ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้เปลี่ยนความจริงอยู่ดีแต่ใจเรานิ่งไม่เป็นกันเพราะเราไม่เคยฝึกสอนใจให้นิ่งกันนี่แหละการปฏิบัติของพวกเรานี้ก็เพื่อที่จะทำใจเราให้นิ่งในทุกข เวลานาทีกับทุกเหตุการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะรักษาใจให้นิ่งได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาใจเหล่านี้จะวูบว่าไปกับเหตุการณ์ที่มาสัมผัสจะไม่ยอมอยู่กับความจริงจะหนีความจริงจะอยากจะเปลี่ยนความจริงอยู่เรื่อย เวลาใครดา่าถูกใครเขาดา่าก็อยากจะให้เขาหยุดดา่าไม่อยากจะฟังเวลานั้นก็เครียดเวลานั้นก็ทุกขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากให้เขาหยุดดา่าเอนั่งฟังไปอย่างสบายเหมือนตอนนี้เราฟังนกดา่าเราก็อยู่นกมันคงดา่าว่าพวกนี้มันมาทํำไมมาแย่งที่อยู่อาศัยของเราทําไมมันไม่กลับไปบ้านสักทีเราก็ไม่ไปสนใจเขา เราปล่อยให้เขาด่าไปแล้วกลับชอบเสียเองว่าเสียงด่าของเขาน n พไยเราะดีเหลือเกินแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วอาจจะไม่อยากจะฟังก็ได้เนี่ยเขากําลังด่าเรากําลังไล่เราแต่เรากลับฟังว่าโอ้มันแสนพายเละาะเพราะเราไม่เข้าใจความหมายพอเราเข้าใจความหมายแล้วต่อให้เป็นเสียงของนางฟ้าเทวดามามาพูดก็ ไม่ยอมฟังไม่อยากฟังถ้าเขาด่าเราก็าว่าเราตัวเสียงมันไม่เป็นปัญหาตัวแปลความหมายต่างหากที่เป็นปัญหาแต่แล้วก็เกิดความความชอบความชังขึ้นมาวิธีแก้ก็คืออย่าไปสนใจต่อความหมายให้คิดว่าเป็นเพียงเสียงเสียงนี้มันไม่สามารถทำอะไรเราได้ แต่สิ่งที่ทําเราได้ก็คือความหมายของเสียงนั้นและใจของเราที่ไม่นิ่งถ้าใจของเรานิ่งแล้วถึงแม้จะรู้ความหมายก็ไม่เป็นปัญหาเลยเขาอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเราทําใจนิ่งได้เสีอย่างเรวไม่เป็นปัญหาเขาด่าไปก็เหมือนเขาด่าเสาเสาไฟฟ้าลองไปยืนด่าเสาไฟฟ้าอยู่ด่าไปสักพักเดี๋ยวก็เหนื่อย ก็เขาก็จะหยุดด่าเองถ้าเราทําตัวเราให้เป็นเหมือนเสาไฟฟ้าได้เวลาใครเขาด่าเราเราก็นิ่งเฉยเป็นอุเบกขาเป็นทองไม่รู้ร้อนเดี๋ว่าไปสักพักเดี๋ยวเขาเหนื่อยปากเปียกปากฉี่เขาก็หยุดด่าเองนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฝึกฝนอบรมทําใจให้สงบด้วยการเจริญสติ เพื่อให้ใจสงบเพื่อหยุดความคิดกรุงแต่งพอหยุดความคิดกรุงแต่งได้ใจก็จะนิ่งได้ใจจะเป็นอุเบกขาได้และถ้ามีปัญญามาสอนใจให้คอยกำจัดความอยากต่างๆที่จะมาขโมยความสงบมาขโมยความนิ่งของใจพอเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มาแล้ว ไม่คุ้มได้ไม่ไม่คุ้มเสียได้สิ่งที่อยากได้มาแต่เสียความสงบไปเสียความนิ่งไปแล้วต่อไปจะทุกเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาสู้รักษาความนิ่งไว้ดีกว่าอย่าไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากก็จะไม่สามารถมาทำลายความนิ่งความสงบของเราได้ใครด่าก็ไม่มีความอยากให้เขาหยุดดา่า ใครอยากจะจากเราไปก็ไม่มีความอยากให้เขาไม่จากเราไปใครไม่ชอบเราไม่อยากจะอยู่กับเราอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปใครอยากจะมาว่าเราก็ปล่อยเขาว่าไปเราอยู่กับความจริงเสมออย่าไปอยู่กับความอยากแล้วใจของเราจะนิ่งจะสงบจะสบายไปตลอดจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ถ้าเรารู้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีดับไปเขาดา่าเราเดี๋ยวเขาก็ต้องหยุดด่าเองเขาไม่มีกำลังที่จะด่าเราตลอดเวลาปล่อยให้เขาด่าให้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวเขาก็หมดกำลังไปแล้วเขาก็จะไม่กลับมาด่าเราอีกเพราะรู้ว่าด่าแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ทำให้เรารู้สึก วุ่นวายเดือดร้อนไปกับคำด่าของเขาเขาด่าก็เราก็ฟังเขาด่าาจริงเขาก็ไม่ต้องการอะไรจากเราเขาเพียงแต่ต้องการระบายความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจของเขาเท่านั้นเหมือนกับเวลาที่เราระบายความรู้สึกของเราเราไม่ต้องการให้เราไม่ดูไม่สนใจด้วยซ้าไปว่าเขาฟังหรือไม่ฟังเขาชอบหรือไม่ชอบเราไม่สนใจ เรเพียงแต่อยากจะระบายความคับแค้นใจที่มันอยู่ภายในใจของเรานี้ออกไปเท่านั้นเองพอระบายหมดไปแล้วก็ไม่รู้จะระบายอะไรแต่ถ้าไม่ได้ระบายเดี๋ยวมันจะระเบิดขึ้นมาได้ถ้าไม่ได้ด่าไม่ได้พูดเดี๋ยวอาจจะเอาปืนมายิงฆ่าเราก็ได้เหมือนกับกาดน้ําที่เราต้มน้ําไว้เนี่ยถ้าเราไม่มีรูให้น้ําให้มีไอ้น้าออกมาเดี๋ยวกาดน้ํามันก็จะต้องระเบิด ดังนถ้าเขาอยากจะด่าเขาอยากจะระบายความเครียดแค้นความโกรธความไม่พอใจของเขาออกมาก็ปล่อยเขาระบายไปเขาเพียงแต่พูดดีแล้วดีกว่าเ้ามาตีเราเขาด่าแเราดีแล้วดีแล้วที่เขาไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ดีแล้วที่เขายังไม่ฆ่าเราให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะอยู่นิ่งเฉยได้เราจะไม่เดือดร้อนกับการกระทําของคนต่าง การกระทําต่างๆของคนทั้งหลายไม่ว่าจะชมก็ไม่ไม่ได้ตื่นเต้นดีออกดีใจคําชมมันก็น ม, มันก็เป็นเสียงเหมือนกันคําด่ามันก็เป็นเสียงเหมือนกันชมแล้วมันก็หายไปเหมือนกันด่าแล้วมันก็หายไปเหมือนกันคนฟังก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้วิเศษขึ้นมาไม่ได้เป็นทองขึ้นมาเวลาเขาชมว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราก็ไม่ได้เป็นทองเป็นเพชรขึ้นมาแต่อย่างใด เวลาเขาดา่าเราเราก็ไม่ได้เป็นโคลนเป็นตมขึ้นมาตามที่เขาด่าแต่อย่างใดเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างแล้วเราไปตื่นเต้นดีใจเสียใจกับการชมการด่าของคนทำไมก็สแสดงว่าเราโงา่เราไม่รู้จักวิธีรักษาใจของเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเราต้องเป็นเหมือนจริงรีดให้เข้ามาปั่นอยู่เรื่อย เวลาเขาปั่นเราเราก็ร้องกรีดกีขึ้นมาดีออกดีใจขึ้นมาเวลาเขาด่าแล้วก็ร้องหม่มร้องไห้ขึ้นมาแล้วเราได้อะไรจากการด่าการชมของเขาเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เหมือนเดิมดังนั้นขอให้เรามาฝึกฝนอบนมจิตใจของเราให้ฉลาดให้เป็นแก่นให้เป็นหินให้มีความหนักแน่น ไม่ให้มีความสะทกสะทานกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นกับใจใจนี้เป็นเพียงแต่ผู้มาอาศัยร่างกายเพื่อมารับรู้เหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับเราไปดูภาพยนตร์เราไม่ได้อยู่ในจอภาพยนตร์ เหตุการณ์ในจอภาพยนตนี้ไม่เกี่ยวกับเราเราเพียงแต่รับรู้เท่านั้นแต่เราลงลืมไปเราคิดว่าเราอยู่ในจอภาพยนต์พอเกิดเหตุการณ์อะไรเราก็คิดว่าเกิดขึ้นกับเราเวลาเกิดการยิงการเกิดลูกระเบิดขึ้นมาเราก็คิดว่าเราถูกลูกระเบิดไปกับเขาด้วยแต่ความจริงเราเป็นเพียงผู้ดูเท่านั้นเองใจเป็นเพียงผู้รู้ รู้ผ่านทางร่างกายรู้เหตุการณ์ต่างๆผ่านทางร่างกายแต่ใจไปหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยวุ่นวายไปกับการเป็นไปของร่างกายร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็วุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายแต่ถ้ารู้ว่าเราเป็นเพียงคนดูเราไม่ได้ไม่เสียกับความเป็นความตายของร่างกาย พอภาพยนตร์จบเราก็ออกจากโลงไปร่างกายตายไปมันก็เรื่องของร่างกายไปพอร่างกายตายไปก็เหมือนกับภาพยนตร์จบเราก็ออกจากโลงไปเราจะออกไปแบบชลาหรือออกไปแบบโง่เท่านั้นเองถ้าออกไปแบบโง่ก็คือเราก็ไปหาลงหนังใหม่ดูต่อถ้าออกไปจากโลกออกไปชลาก็คือเลิกดูละไม่เอาละเบื่อละ ดูแล้วไม่ได้เลยเครียดไปเปล่ า, าดีใจเสียใจแล้วก็ไม่ได้เลยติดตัวไปกับเลยนี่คือไปแบบฉลาดเนีย่ยพระพุทธเจ้าพออาระอรหันต์นี่ท่านไปแบบฉลาดท่านบอกไม่ดูแล้วหนังหนังที่ดูผ่านทางร่างกายนี้พอแล้วดูมาจนเบื่อแล้วทุกมันกับมันมาจนเบื่อแล้วหยุดทุกเสียทีไม่ได้ไม่เสียแต่ต้องมาเครียดกับมันไปเปล่า นี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัติเราจะได้ปัญญาเราจะได้รู้ว่าเราคือใครเราเป็นใครกันแนะ่เราเป็นคนเดียวเราไม่ได้เป็นตัวแสดงตัวแสดงคือร่างกายเราเพียงแต่ใช้ร่างกายให้แสดงอะไรต่างๆแทนเราเท่านั้นเองสิ่งที่ร่างกายได้เราก็ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย สิ่งที่ร่างกายเสียเราก็ไม่เสียสเรามาตัวเปล่าๆแล้วเราไปตัวเปล่าเปเวลาเข้ามาในโรงภาพยนตร์เราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเวลาเราออกจากโรงภาพยนตร์ไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปก็มีอยู่สองอย่างที่เราจะเอาไปได้คือความโง่หรือความฉลาดเวลาเข้ามาในโรงภาพยนตร์ก็มาด้วยความโง่เพราะคิดว่าจะมาหาความสุขจากการดูภาพยนตร์ แต่พอดูแล้วก็บักเครียดกับภาพยนตร์ที่ได้ดูต้องมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กับการสูญเสียของดาราที่เรามาติดตามดูแล้วพอภาพยนตร์จบเราก็ไม่ได้อะไรไปเลยถ้าเราฉลาดก็ไม่กลับมาดูอีกแล้วพอแล้วอ่อไปนี้อยู่บ้านดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆสบายบ้านของเราก็คือพระนิพพานนี่เอง บ้านที่ไม่มีความอยากเพราะมีปัญญารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเหมือนภา พ, พยนตร์โลกนี้เป็นเหมือนโรงละครเป็นโรงภา พ, พยนตร์ดูมากี่ล้านรอบแล้วก็เหมือนกันเป็นละครน้ำเน่าเหมือนกันทุกรอบมีรักมีชังมีแก่งแย่งชิงดีมีโกรธมีเกียบมีอิจฉาลิษยามีอะไรร้วนแต่ภาพยนตร์ที่เราดูเนี่ยมันเป็น ภาพสะท้อนความจริงของโลกนี้โลกนี้มันเป็นอย่างนี้เราเป็นเพียงคนดูอย่าไปหลงกับมันเท่านั้นเองแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่ทุกข์ไม่เครียดกับการเกิดกับการดับกับการมากับการไปของสิ่งต่างๆรวมถึงร่างกายนี้ด้วยเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราจะไม่ทุกข์กับการทัดท่าจากสิ่งต่างๆ ที่เรารักที่เราชอบไปดังนั้นขอให้พวกเราพยายามฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้เอาความรู้นี้มาสอนใจเราอีกต่อหนึ่งมาสอนใจให้ใจของเรานิ่งให้ใจของเราสงบให้ใจของเราปล่อยวางเป็นอุเบกขาให้ใจของเรากำจัดความอยากต่างๆที่จะมาขโมยความสงบความนิ่งนี้ ที่จะทำให้เราไม่สามารถอยู่กับความจริงได้ถ้าเรามีสติสมาที่มีปัญญาแล้วเราจะอยู่กับความจริงตลอดเวลาเราจะไม่อยู่กับความอยากเพราะเราจะเห็นโทษของความอยากว่าเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วนี้มันแสนทรมานใจอยู่กับความจริงมันไม่ทรมานความแก่มันไม่ทรมานความเจ็บมันไม่ทรมานความตายมันไม่ทรมาน สิ่งที่ทำให้ใจทรมานก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต่างหาถ้าเราปฏิบัติไปเราก็จะเข้าใจหลักความจริงเหล่านี้แล้วเราก็จะสามารถรักษาใจของเราให้ตั้งอยู่ในความนิ่งความสงบไปได้ตลอดเลยดัยงนั้นขอให้พวกเราจงพยายามมีความอุตสาหะววรยะความภาคเพียรเหมืนฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย พังแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญสติสมาธิและปัญญาอันนี้ทําได้มากเท่าไหร่แล้วผลก็จะเกิดได้มากขึ้นเท่านั้นเออถ้าไม่ทําก็ไม่เกิดและไม่มีใครจะทําให้เราได้เวลาก็จะไม่ทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ไม่เหมือนกับต้นไม้พอเราปลูกแล้วปล่อยมันทิ้งไว้ในดินเดี๋ยวมันก็โตไปเองตามเวลา แต่สติสมาธิปัญญานี้มันจะไม่เติบโตเจริญขึ้นไปของมันเองมันต้องเกิดจากการบำเพ็ญของเราเกิดจากการเจริญของเราจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิเกิดจากการบริกรรมพุทโธพุทโธเกิดจากการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดจากการพิจารณาอริยสัจสี่จากการเกิดจากการพิจารณาอสุภะปฏิกลูน อันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นไม่เหมือนกับต้นไม้ที่พอเราปลูกลงมาในดินแล้วพอมันไม่ตายแล้วตอบมันก็จะเจริญเติบโตของมันไปตามกามตามเวลาธรรมะนี้ต้องบําเพ็ญอยู่อย่างต่อเนื่องทํามากก็จะได้ผลเร็วทําน้อยก็ได้ผลช้าไม่ทําก็จะไม่ได้ผลเลยดังนั้นทั้งหมดก็กลับมาอยู่ที่ตัวเรา อยู่ที่อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอย่าไปหวังพึ่งอะไรทั้งหมดในโลกนี้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเป็นผู้ให้กำลังใจผู้ที่จะให้ปัญญาความรู้ความฉจาดแสงสว่างให้กับเราแต่ถ้าเราไม่มีอัตตาหิอัตโนนาโถเราก็จะไม่สามารถนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราได้ ดังนันเราต้องพยายามภาคเพียงทุกเวลานาทีตั้งแต่เตืนขึ้นมาจนหลับอย่าปล่อยให้ใจอยู่ตัดสะจากสติคอยควบคุมใจเหมือนกับเป็นนักโทษที่เราเป็นผู้ควบคุมต้องคอยเฝ้าดูอยู่ทุกเวลานาทีไม่ให้ใจหนีไปทำสิ่งที่จะมาทำให้เกิดความทุกข์กับเราก็คือไม่ให้ใจไปอยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลาย ให้ใจตั้งอยู่ในความสงบให้อยู่กับความจริงเพียงอย่างเดียวการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลายิงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยัาทาวาเรวะหาปุราปริปุเรินติสักลงังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุปการปติ อิชิตังปฏตติตังตุนหังคิด a ปาเมวะสมิชฉาตุสัพเพปุรเอนตุสังกะปาจันโทปนะราโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัจจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวทวันตราโยสุขีธีกายุโกภวะ อาพิวาธานสาีลิศะนิจังวุธาป จ, จายโนจัตาโรโธรรมาวัทานติอายุวโนโอสุขังภาลังถามได้เลยครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคำถามจากคุณ พี่เจี๊ยบนะครับเวลานั่งสมาธินานๆคล้ายกับว่าเวลาอยู่ในสมาธิคิดเสียงดังมากๆควรทำอย่างไรดีคือไม่ต้องไปสนใจเวลาเรานั่งสมาธินี้สิ่งที่เราให้ความสนใจเพียงอย่างเดียวก็คือการภาวนาถ้าเราบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธไปถ้าดูลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปนสนใจกับ เหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนาถ้าเราไม่ไปสนใจเขาก็จะเกิดแล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไปสนใจเราก็จะเสียหลักการภาวนาของเราก็จะล้มเหลวไปได้ไม่ได้เกิดผลตามมาคำถามข้อต่อไปจากคุณบนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าจิตตัวเองคิดอกุศลบ่อย โดยเฉพาะเวลาทำบุญใส่บาตรหรือพบเห็นเรื่องราวดีๆแต่จิตก็จะเกิดความสงสัยขึ้นมาเช่นจะเป็นพระจริงไหมหรือคนนั้นเขาจะเอาเงินที่ได้รับบริจาคไปทำบุญจริงๆไหมไม่ทราบว่าจะหาทางแก้ไขอย่างไรดีขอให้เราคิดด้วยเหตุผลคือว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขานั้นจะทำอะไรรับหลังเรา เราทำได้ก็เพียงแต่คิดว่าออคิดว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาควรจะทำถ้าเรารู้ทีหลังว่าเขาไม่ทำในสิ่งที่เขาควรจะทำเราก็จะได้ไม่ไปทำกับเขาต่อไปถ้าเรามัวแต่คิดว่าเขาจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้มันก็จะทำให้เราไม่มีโอกาสได้ทำบุญเสธี พอจะทําบุญทีไรก็มีมารมาคอยขัดคอยขวางว่าเฮ้ยเขาจะเอาไปทําอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเขาเป็นพระจริงหรือพระปลอมหรือเปล่าถ้าเราไม่แน่ใจก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราเอาเงินทําบุญที่เราจะทําเนี่ยเก็บไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนรวบรวมไว้ในในที่ใดที่หนึ่งขอให้เราถือว่านี่เป็นเงินที่เราทําบุญแล้ว แล้วรอรอโอกาสเวลาที่เราได้พบกับพระแท้พระดีหรือพบกับผู้ที่เขาจะทำตามที่เขาพูดไว้เรามีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เราก็ค่อยเอาไปทำกับเขาต่อไปแต่อย่าให้ความคิดอกุศลความคิดไม่ดีนี้มาเป็นเหตุให้เราไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญเสียทีถ้าเราอยากจะทำบุญก็ทำไป ถ้ายังไม่มีบุคคลที่เหมาะสมกับการรับบุญที่เราจะทำนี้ก็ให้เก็บใส่กระป๋องไว้ก่อนใส่กระปุกไว้ก่อนพอเราได้ไปวัดที่เรามีความมั่นใจได้ไปพบกับพระที่เรามีความมั่นใจเราก็เอาไปทำกับท่านหรือกับองค์กรการกุศลที่เรามีความมั่นใจว่าเขาจะเอาไปทำตามจุดประสงค์ที่เขาได้บอกไว้เราก็ค่อยทำไปแต่อย่าให้ความคิดไม่ดีนี้มารบล้าง ความคิดที่ดีที่อยากจะทําบุญไปไม่อย่งั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ทําบุญตายไปเราก็จะไม่มีบุญติดตัวไปมีโยมท่านหนึ่งครับซึ่งมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่นี่ครับพระอาจารย์ฝากถามว่าเมื่อซักระยะมาแล้วมีเขาจะเดินทางไปทําบุญที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วมีคนฝากทําบุญไปด้วยโดยที่เขาคนที่ฝากทําบุญเนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าจะให้ไปร่วมบุญที่ไหน แล้วเขาก็ลืมไปเลยจนจนมาถึงช่วงเนี้ยเขานึกขึ้นได้เขาสามารถนําเงินบุญตัวทําบุญตัวนั้นเนี่ยไปทํากับพระหรือสถานที่ที่เขาคิดว่าเหมาะสมหรือเปล่าครับถ้าเจ้าของเงินเขาไม่ได้เจาะจงไว้ก็เราก็ไปทําทําที่ไหนก็ได้ถ้าเขาเจาะจงก็ควรจะทําตามที่เขาเจาะจงไว้เช่นบอกว่าให้เอาไปถวายเป็นค่าอาหารของพระวันนี้วัดนั้น เราก็ควรจะทําตามเจตนาไม่เช่นนั้นก็จะทําให้เราเป็นคนไม่มีสัจจะคือเรารับปากเขาแล้วแล้วเราไม่ทําตามที่เขาพูดเราก็จะเสียเครดิต mm hmm. ก็เป็นเหมือนกับว่าเราก็อาจเขาก็อาจจะมองว่าเราเป็นเหมือนคนโกงไปก็ได้ดั mm hmm. งนั้นถ้าก่อนที่เราจะรับทรัพย์ของผู้อื่นไปทําอะไรให้กับเขาเราต้องมีความมั่นใจว่าเราจะสามารถทําได้ ถ้าเราไม่สามารถทำได้เราก็ควรที่จะปฏิเสธไปคำถามจากข้อความนะครับโยงทำบริษัททัวร์ท่องเที่ยวได้ทำราคานำเสนอบริษัทแห่งหนึ่งท่านลั 2,700 บาทซึ่งต่อมาลูกค้าผู้ประสานงานซึ่งเป็นพนัก ง, งานของบริษัทแห่งนั้นต้องการค่าตอบแทนเป็น 2,800 บาท ซึ่งผู้ประสานงานท่านนี้ก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินหนึ่งหมื่บาทสำหรับทริปนี้ในกรณีดังกล่าวผู้ประสานงานท่านนี้ต้องการค่าตอบแทนส่วนตัวแล้วทำให้บริษัทแห่งนั้นต้องจ่ายเงินเพิ่มจากราคาจริงแล้วเราซึ่งเป็นผู้มีส่วนรู้เห็นกับการคอร์รัปชันของผู้ประสานจะเป็นบาปกับเราด้วยหรือเปล่าทาให้ไม่ค่อยสบายใจกับการกระทาดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกันโยมก็อยากจะได้งานเพื่อเป็นรายได้เข้าบริษัทเราก็มีส่วนเพราะว่าเราจะไม่พูดความจริงาาราคาสองสองพันเจ็ดราก็ไปบอกว่าเป็นสองพันแปดอย่างนี้ก็เป็นการโกหกเราต้องพูดตรงไปตรงมาว่าสองพันเจ็ดแล้วก็อีกอีกพันหนึ่งก็ให้กับคนที่เข้ามาติดต่อไป ถ้าเราพูดอย่างนี้เราก็จะไม่บาปคือถ้าถ้าเราจะยืดราคาเป็นสองพันแปดเราก็ต้องแจงรายละเอียดไปว่าของเราเรารับสองพันเจ็ดแต่อีกพันบาทนี้เป็นค่าใช้จ่ายของคนที่เข้ามาติดต่อถ้าเราทำอย่างนี้ก็จะไม่บาปแต่ถ้าเราทำเป็นแบบว่าเป็นราคาเดียวแล้วเรามาเอาไปให้เขาเนี่ก็แสดงว่าเราก็โกหก แล้วก็ช่วยครับช่วยคนนั้นลักทรัพย์ของบริษัทอีกทีหนึ่งก็เป็นร่วงการร่วมกันทำบาปด้วยกันคำถามข้อต่อไปจากคุณบีนานะครับคนที่เขาภาวนาให้ตัวเขาตายไวๆเป็นบาปไหมเขาว่าให้เขาภาวนาให้ตายไวๆเหมือนกัเขาแช่งตัวเองให้ตายไวๆใช่ไหมถ้าถ้าคิดว่าแช่งก็ไม่มีวันเป็นไปได้ จะแช่งให้รวยก็มันก็ไม่รวยแช่งให้ตายมันก็ไม่ตายเพราะมันความรวยความตายไม่ได้อยู่ที่การแช่งของคนมันอยู่ที่เหตุปัจจัยอย่างอื่นเช่นความตายนี้ก็เกิดจากอะไรรู้เปล่าเพราะไม่หายใจร <c oughs> วยความความความรวยก็เพราะว่าเกิดจากการขยันหามทำมาหากินหาเงินห า, หาทองจากการเก็บเงินเก็บทองไว้ก็รวยได้ อันนี้มันมีเหตุมีปัจจัยไม่ได้อยู่ที่การภาวนาถ้าการภาวนาหมายถึงการการอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นไปไม่ได้แต่การภาวนานี้ถ้าภาวนาว่าตายตายเนี้ยก็จะทาให้เราบรรลุเป็นโสดาบันได้เพราะผู้ที่เห็นว่าความตายนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดไม่กลัวความตายอย่างนี้ก็ การภาวนาตายตายแบบนี้ก็จะทําให้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้อาจจะเป็นความเชื่อครับพระอาจารย์ที่เขาบอกว่าอาคนะถ้าบุญมากๆเนี่ยจะอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับอาจจะเป็นความเชื่อเราพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไห น, น, นคําถามข้อต่อไปจากคุณชนิการนะครับการสวดมนต์ข้ามคืนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในมุมมองของพระวัดป่ามีคุณประโยชน์ใดๆแค่ไหนการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกทำสมาธิในขั้นเบื้องตน้นคือบางทีให้นั่งหลับตาบริกรรมพุโทโธพุโทโธแล้วใจมันไม่ยอมอยู่กับการบริกรรมแต่ถ้าให้สวดมนต์ยาวๆเป็นตนบทสวดก็สวดสวดได้อยู่ได้ใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็สงบได้ในระดับหนึ่ง พอที่จะทําให้มาสามารถมาบริกรรมพุทธโธต่อได้ดังนั้นการสวดมนต์นี่ก็เป็นการทําสมาธิเบื้องต้นเป็นการกล่อมใจให้ระงับจากความคิดปรุงแต่งต่างๆให้เบาลงไปแล้วพอมันเบาก็จะทําให้การบริกรรมพุทธโธนี้ทําได้อย่างง่ายดายแล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้แต่การสวดมนต์นี้ต้องเป็นการสวดอย่างต่อเนื่องทําเป็น ปิจาลักษณะไม่ใช่ทําแต่เฉพาะวันข้ามปีใหม่ขึ้นปีใหม่ทําเพียงวันเดียวมันก็เหมือนกับปีหนึ่งกินข้าวหนเดียวเอมันก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่เราต้องกินข้าวทุกวันวันละสามมือการสวดมนต์การฝึกทําสมาธิก็ควรจะเป็นแบบนั้นเราก็ควรจะฝึกทําสมาธิทุกวันไหว้พระสวดมนต์อย่างน้อยก็วันละสองครั้งเช้าเย็นทําวัดเช้าทําวัดเย็นกัน นั่นก็คือการสวดมนต์ทใจให้สงบไม่ใช่มารอแต่วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะได้บุญได้กุศลมากมายกว่าวันอื่นอันนี้เป็นไปไม่ได้คำถามข้อต่อไปจากคุณ golden rider นะครับผมฝึกกำหนดอสุภะกรรมฐานรู้สึกจิตสงบแักแรกสงบหลังๆพอกำหนดอสุภะแล้วมันมีที่สิ้นสุดคือภาพที่เรากาหนดนั้น ดับลงยิ่งตั้งใจกำหนดภาพเท่าไรภาพยิ่งดับลงเร็วการดับไม่ใช่เราไปตั้งใจให้มันดับมันดับของมันกลับเรียนถามพระอาจารย์จุดสิ้นสุดของอสุภะก็คือจิตใช่ไหมภาพทั้งหลายมันมาจบลงที่จิตเราภาพมันออกไปจากจิตและก็ดับลงที่จิตภาพภายในนี้มันเกิดดับมันเป็นไตรลักษณ์ เราไม่ควรยึดถือใช่ไหมครับการพิจารณาสุภาษีตมีเป้าหมายอยู่ที่การดับการมารมที่คอยมารบกวนใจของเราทำให้เราอยู่ในความสงบอยู่ตามลำพังไม่ได้เวลาเกิดการมารมแล้วเราจะรู้สึกว่าเหว่เศร้าส้อยง่อยเหงาอยากจะมีแฟนอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีคู่หลับนอนด้วยกันแต่ การมีการอารมณ์นี้ก็จะทําให้เราไม่สามารถมีความสุขที่ได้จากความสงบอยู่ตามลาพังได้เดังนั้นพวกที่สแสวงหาความสุขจากการทําใจให้สงบนี้จําเป็นจะต้องพิจารณาอสุภะเพื่อมาดับการอารมณ์ที่จะมาทําให้ไม่สามารถตั้งอยู่ในความสงบได้ดังนั้นเป้าหมายของการพิจารณาอสุภะนี้อยู่ที่การดับของการอารมณ์ ไม่ได้อยู่ที่การดับของอสุภะอสุภะนี่เป็นเหมือนยาที่จะมารักษาโรคใจก็คือการอารมณ์ความทุกข์ที่เกิดจากเกิดการเวลามีการอารมณ์ขึ้นมาถ้ามีเหตุพิจารณาเห็นอสุภะการอารมณ์ก็จะดับไปเราะฉะนั้นถ้าตาบดยังมีการอารมณ์อยู่การพิจารณาอสุภะจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น เหมือนกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่จำเป็นจะต้องรับประทานยาไปเรื่อยๆจนกว่าโรคจะหายถ้าโรคยังไม่หายก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆรับประทานยาไปเรื่อยๆฉันใดถ้ายังมีการอารมณ์อยู่ยังมีความอยากเสพกรรมอยู่ก็ยังต้องพิจารณาอสุภะไปเรื่อยๆจนกว่าความอยากเสกกรรมนี้หมดไปเท่านั้นการพิจารณาอสุภะก็จะหมด ไปไม่มีความจาเป็นต่อไปคำถามข้อต่อไปจากคุณจริงวงชมพูนะครับโยมนั่งภาวนาแต่พอหลับตาเหมือนกับตาในมันเพ่งมองอยู่เรื่อยทำยังไงถึงจะทำให้ตาในหลับการนั่งภาวนาหลับตาก็เพื่อให้ตาในตื่นไม่ใช่ให้ตาในหลับถ้าตาในตื่นก็ดีแล้วพยายามรักษาตาในไว้ให้ตื่นอยู่ตลอดเวลา ตาในาก็คือผู้รู้นี่เองคือสักแต่ว่ารู้ถ้ามีสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆอย่างนี้ก็แสดงว่าเรามีตาในาตาในาได้ตื่นแล้วแต่ถ้ายังมีความคิดปรุงแต่งว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนี้ตาในา ย, ยังไม่โผล่ขึ้นมาถ้าความคิดปรุงแต่งหยุดไปความตาในาถึงจะโผล่ขึ้นมาสัแต่ว่ารู้ ที่เราภาวนาก็เพื่อให้ใจเพียงเป็นสักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยเฉยไม่ให้คิดปรุงแต่งเพราะเมื่อคิดปรุงแต่งแล้วก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกเกิดจากความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าสักแต่ว่ารู้เฉยเฉยเป็นอุเบกขาคือนิ่งก็จะไม่วุ่นวาย ให้รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นอะไรอยู่กำลังแก่ก็รู้ว่าแก่กำลังเจ็บก็รู้ว่าเจ็บกำลังตายก็รู้ว่าตายถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บของกับความตายการภาวนาก็เพื่อให้เข้าถึงตัวรู้ตัวนี้ให้ตาในตัวนี้ปรากฏขึ้นมาแต่ปรากฏขึ้นมาก็ต้องให้ความคิดปรุงแต่งนี้สงบตัวลงไป จากท่านเดียวกันนะครับโยมผ่านเวทนาไม่ได้ไม่ทราบต้องทำอย่างไรก็เช่นเดียวกันก็ต้องฝึกทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็จะผ่านไปได้เวลาใจเกิดเวทนาก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธทไปอย่าไปสนใจกับเวทนาอย่าไปให้เกิดความอยากให้เวทนานั้นหายไปอย่าไปสนใจเหมือนกับตอนนี้เราไม่ไปสนใจกับเสียงนกเสียงกาปล่อยทขอล่องไป มันก็จะไม่ทำให้ใจเราเดือดร้อนวุ่นวายแล้วเราก็จะผ่านเสียงผ่านเวทนาไปได้เองคือเราจะปล่อยวางเขาเราจะไม่ไปสนใจเมื่อเราไม่ไปสนใจเขาแล้วเขาก็จะไม่มาทำความเดือดร้อนให้กับใจของเราความเดือดร้อนเกิดจากใจเราไปอยากให้เขาหายไปเองเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาอย่าไปให้อยากให้มันหายอย่าไปสนใจกับมันเลยให้เราพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้ ให้มีงานทำให้ใจมีงานทำเพื่อจะได้ไม่ไปเกิดความอยากให้เวทนาหายไปคำถามข้อต่อไปจากคุณอัญชลีนะครับจำเป็นหรือไม่ที่เราต้องรู้ภาษาทางธรรมะเราทาบุญสร้างกุศลช่วยเหลือวัดช่วยเหลือผู้ อ, อื่นช่วยเหลือสังคมชุมชนฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิให้จิตใจสงบนิ่งเฉยแล้วเมื่อ เมื่อทำแล้วสุขใจสบายใจผิม <c oughs> ใจภูกใจมีความสุขเพียงพอหรือเปล่าคะในวงเล็บไม่แน่ใจเช่นคำว่าไตาลักพมวิหารอริยสัตว์มักคำพวกนี้เรียกว่าภาษาธรรมะหรือเปล่าคือภาษาธรรมะนี่ก็เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราสร้างความสุขให้กับใจของเราแต่ถ้าเราสามารถสร้างความสุข ให้กับใจของเราโดยที่ไม่ใช่ต้องไม่ต้องใช้ภาษาธรรมะก็ได้เพราะคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะก็ไม่แน่หมายความว่าเขาจะไม่มีธรรมะเพราะธรรมะนี่เป็นภาษาใจแต่ภาษาที่พูดออกมาทางปากนี่จะเป็นภาษาภาษาต่างๆกันไปถ้าเราอยากจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเข้าใจภาษาของพระพุทธเจ้าเราถึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรทาอะไร แต่ถ้าเรารู้จากวิธีปฏิบัติแล้วโดยที่ไม่ต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องเรียนภาษาธรรมถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขทำใจให้ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเราก็ไม่ต้องเรียนภาษาธรรมก็ได้แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำใจให้เรามีความสุขความสงบหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็ต้องศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาธรรมนี้เอง เราก็ต้องรู้จากคำว่าตายลักเป็นยังไงศีล ส, สมาธิปัญญานี้เป็นอะไรเราก็สามารถเรียนและมีคำแปลสอนเราได้พอเรารู้ความหมายของภาษาธรรมแนละ้วเราจะได้นำเอาสิ่งที่เรารู้นี่มาปฏิบัติเพื่อทำให้ใจของเราสงบทำใจของเราให้ดับความทุกข์ต่างๆได้คำถามข้อต่อไปจากคุณกระหนกศรีนะครับงานศพมีการตั้งโต๊ะ มูลนิธิการกุศลโดยเจ้าภาพจัดไว้เพื่อให้ผู้มาร่วม ง, งานศพเอาเงินที่ตั้งใจมาให้เจ้าภาพทั้งหมดบริจาคให้มูลนิธิที่เจ้าภาพเชิญมาคำถาม้อที่หนึ่งถ้าผู้ตายสั่งไว้ก่อนตายว่าเงินที่ได้จากงานศพทั้งหมดให้บริจาคเข้ามูลนิธินี้ใครเป็นผู้ได้บุญจากการบริจาคนี้บ้างผู้มางานศพที่สละเงินบริจาคไดหรือไม่ ผู้ตายได้บุญหรือไม่ผู้บริจาคเนี่ยใครเป็นเจ้าของเงินผู้นั้นก็จะได้บุญผู้ตายนี้จะไม่ได้บุญแล้วเพราะว่าไม่ไม่เป็นไม่ได้เป็นผู้ทําบุญเป็นเพียงแต่ผู้ชี้ทางบอกให้ทําบุญเท่านั้นเองงนั้นบุญนี้เกิดจากการให้ผู้ให้นี่แหละเป็นผู้ที่ได้บุญผู้ที่ไม่ได้ให้จะไม่ได้บุญข้อที่สองถ้าผู้ตายไม่ได้สั่งอะไรไว้ แต่เจ้าภาพคือสามีภรรยาหรือลูกหลานจัดการให้มีการบริจาค ม, มูลนิธินี้ผู้ตายจะได้บุญที่คนมาบริจาคในงานศพนี้หรือไม่หรือว่าเจ้าภาพเป็นผู้ได้บุญผู้ที่มาบริจาคผู้ที่มางานศพนั่นนะเป็นผู้ที่ได้บุญแล้วก็ผู้ที่ผู้ตายที่จะได้ก็บุญอุทิศเท่านั้นเองบุญที่ผู้ที่เขามาทำบุญนี้ กรวจน้ำอุทิศไปให้กับผู้ที่ตายไปข้อที่สามการอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลไว้เมื่อตายไปแล้วนั้นมีอนิสงส์มากจริงหรือไม่ถ้าเปรียบเทียบกับทานในรูปแบบอื่นจะไม่ได้บุญเลยเพราะว่าไม่ได้ให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าอยากจะได้บุญต้องให้ตอนที่มีชีวิตอยู่เช่น บริจากดวงตาให้กับคนตาบอดไปดวงหนึ่งหรือแบ่งไตไปให้กับผู้ที่เขาต้องอต้องมีการ เ, าเปลี่ยนไตยอย่างนี้แล้วเราเราบริจาคให้เขาไปถ้าบริจาคในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เรามีความรับรู้อยู่รู้ว่าเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปด้วยความยินดีอย่างนี้เราก็จะได้บุญหรือเสียชระภรรยาหรือสามียกให้คนอื่นเข้าไป คนอื่นเขาอยากได้เขาขอเราก็ยกให้เขาไปถ้าเราให้เขาไปตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะได้บุญเพราะเราตัดความยึดติดความหวงแหนตัดกิเลสการทำบุญนี้เพื่อเป็นการตัดกิเลสแต่ถ้าเราตายไปแล้วภรรยาของเราหรือสามีของเราก็ไปไปมีแฟนใหม่นี้เราจะไม่ได้บุญดังนั้นเวลาจะให้อะไรต้องให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ ต้องให้เพื่อที่จะได้เอาตัดความหวงความยึดติดออกจากใจของเราไปเพราะความหวงความยึดติดนี่จะทำให้เราทุกเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เราไม่พร้อมที่จะสูญเสียไปแต่ถ้าเราฝึกให้อยู่เรื่อยๆยอมเสียอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาจะต้องเสียเราก็จะเสียเป็นเราก็จะไม่เสียใจเสียของแต่จะไม่เสียใจแต่ถ้าเราไม่ซ้อม ให้ซ้อมไปเรื่อยๆพอถึงเวลาเสียจะเสียทั้งสองอย่างเสียทั้งของเสียทั้งใจสิ่งนี้เราต้องการทําก็คือว้องกันไม่ให้เกิดความเสียใจการให้นี้เป็นการฝึกซ้อมเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจเวลาที่เราจะต้องตายจากสิ่งต่างๆไปข้อที่สี่ผู้ที่บริจาคอุทิศร่างกายไว้กับโรงพยาบาลตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ ถือว่าเป็นการรักสักยัทิฐิได้หรือไม่ละไม่ได้ละจะละต้องละตอนที่มีชีวิตยอยู่นี่ไงเช่นใครมาขอดวงตาก็ให้เขาไปใครขอตับตายใส้พุงอันไหนต้องการก็ให้เขาไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าละสักยะทิฐิต้องให้ในขณะที่เราเป็นเจ้าของอยู่เวลาเราตายไปแล้วร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณธิดาบุตร นะครับการที่เราทำอาชีพเกี่ยวกับการเก่งกำไรในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกกฎหมายในวงเล็บสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นบาปไหมเพราะผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ลักษณะคล้ายการพนันมากตรงที่มีการแทงสูงต่ำและเมื่อเอาเงินคนที่ได้กำไรกับคนที่เสียมารวมกันแล้วจะเท่ากับศูนย์บาทพอดี ไม่หรอ ก, การซื้อขายนี่เป็นเรื่องปกติเหมือนกับเราซื้อที่ดินมาแล้วเรากเก่งกําไรว่าพอได้ราคานี้เราก็จะขายแล้ว เ, เราซื้อกับข้าวกับปลาผักมาขายเราก็เก่งกําไรเหมือนกันถ้าเราซื้อเราเราขายแล้วเราไม่ได้กําไรเราจะซื้อมาทำมาให้มันเสียเวลาเปล่าๆแต่การเล่นการพนันนี้มันเป็นลักษณะแบบว่าออ่มีความโลภเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความสูงมาก คือจะหวังเอากำไรโดยที่ไม่ต้องทำอะไรให้นั่งเฉยๆแล้วก็เพียงแต่ให้แทงเลขแทงเบอร์อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการเล่นการพนันแต่การซื้ออะไรก็ตามซื้อมาแล้วขายไปนี้เรียกว่าเป็นการทำมาค้าขายจะเป็นการเล่นการพนันก็ในลักษณะว่ามีความโลภมากแล้วก็เก่งกำไรสูงมากอย่างนี้แล้วได้อย่างรวดเร็วเช่นซื้อตอนเช้าขายตอนเย็นอะไรอย่างนี้ อันนี้ก็อาจาจะเป็นเชิงของการพนันได้แต่ถ้าเราทํามาหากินซื้อข้าวซื้อของมาไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใดแล้วถ้ามีกําไรเราอยากจะขายแล้วก็ขายอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการเล่นการพนันคําถามข้อต่อไปจากคุณมุ้ยสมเด็จนะครับการปฏิบัติธรรม อ, อ๋ออยากปฏิบัติธรรมให้สูงแต่เป็นคาราวาสมีวิธีง่ายๆ ให้ทําสูงขึ้นช่วยแนะนําด้วยกระบบดไงให้คาถามข้อต่อไปจากคุณประเสริฐนะครับมีเจ้าอาวาสท่านหนึ่งสอนว่าเวลานั่งภาวนาให้ตามดูจิตจิตคิดยังไงก็ให้ตามดูจิตไปเรื่อยๆ ดีกว่านั่งภาวนาพุโทโธเพราะว่าเรายังไงก็ไปไม่ถึงพระนิพพานให้ตามดูจิตแล้วทำปัจจุบันให้ดีทำใจให้เป็นชาวพุทธยังดีกว่าภาวนาเพราะยังไงก็ไปไม่ถึงท่านมีความคิดยังไงครับก็เป็นความคิดที่ไม่ตรงกับที่พระเจ้าทรงสอนนะพระเจ้าทรงสอนให้ทำใจให้สงบ การดูใจนี้จะไม่ได้ทําให้ใจสงบดูใจใจก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อยดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเราไม่เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็ทําตามที่คนอื่นสั่งสอนไปคําถามข้อต่อไปจากคุณวรนภานะครับฟังซีดีท่านบอกว่า ให้อยู่เฉยแล้วท่องคําภาวนาทําไม่ได้นานคืออยู่นิ่งๆไม่ได้นานนั่งฟังเทศไปเรื่อยๆได้ไหมในเบื้องต้นถ้าเราไม่มีกําลังที่จะทําใจให้อยู่เฉยเราก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมเป็นเครื่องมือไปก่อนเพราะเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็อยู่เฉยๆได้แล้วพอฟังไปแล้ว รู้สึกว่าใจเริ่มอยู่นิ่งเริ่มอยู่เฉยๆแล้วค่อยมาดูลมต่อหรือมาบริกรรมพุทโธต่อก็ได้เพื่อที่จะทำให้ใจเฉยให้นิ่งมากกว่านี้ตอนต้นการสายการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนหรือบางทีการฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบเลยก็ได้หรือบรรลุธรรมเลยก็ได้ถ้าฟังเราสามารถพิจารณาตามเหตุตามผลที่แสดงไว้ได้ก็จะ มีดวงตาเห็นธรรมเกิดปัญญาขึ้นมาบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้จากการฟังเทศฟังธรรมข้อต่อไปนะครับการที่ดูความคิดความรู้สึกของตัวเองตลอดเวลาอยู่คนเดียวเป็นการทำสมาธิได้ไหมแต่ไม่ได้บริกรรมอะไรถ้าดูแล้วหยุดความคิดได้ก็เป็นการทาสมาธิเพราะป้หมายก็คือต้องการไม่ให้มีความคิดปุงแต่ม ถ้าเรามีสติที่มีกำลังมากพอที่พอเห็นความคิดปั๊บก็สั่งให้มันหยุดได้อย่างนี้ก็จะเป็นสมาธิได้แต่ถ้าดูความคิดแล้วก็คิดไปกับมันด้วยมันคิดอย่างนั้นเราก็คิดอย่างนี้คุยกันไปคุยกันมาถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ต้องรู้เฉยๆต้องดูเฉยๆพอดูเฉยๆความคิดก็จะหยุดแต่ถ้าถ้าคิดไปกับความคิด เขาชวนเราไปที่นั่นแล้วก็ไปที่นี่ดีกว่าอย่างนู้นอย่างนี้คุยกันไปคุยกับตัวเองคุยกับความคิดถ้าอย่างนี้ก็จะไม่มีวันสงบได้จะสงบต่อเมื่อเราดูเฉยๆแล้วก็บอกให้หยุดคิดอย่าคิดถ้าเขาหยุดคิดได้นิ่งได้ว่างได้อย่างนี้ก็เป็นสมาธิได้คำถามข้อต่อไปจากคุณลนกิจนะครับข้อที่หนึ่งขณะนั่งสมาธิภาวนา จำเป็นหรือไม่ที่ต้องแผ่เมตตาแก่ตนก่อนหากแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนจะช่วยให้จิตรวม ง, ง่ายขึ้นจริงหรือไม่คือความแผ่เมตตานี้มันไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทําจิตให้สงบจิตจะสงบนี้ต้องเกิดจากการมีสติควบคุมความคิดเท่านั้นเองการแผ่เมตตานี้ก็เป็นอาจจะเป็นเพื่อให้เราเออ่ ละงับความวุ่นวายไปกับเรื่องของคนนั้นคนนี้เช่นเราโกรธคนนั้นโกรธันนี้เวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบไม่ได้เพราะเราจะคิดถึงคนนั้นอยู่เรื่อยๆพอคิดทีใดก็ทําให้เราโกรธขึ้นมาถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิแล้วได้ผลเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับคนนั้นคือเราต้องให้อภัยสรรเพสัตาอเวราหุนตุก็คือไม่จองเวรจองกรรม การไม่จองเวรจองกรรมก็คือการให้อภัยยกโทษให้กับเขาไปเขาทำอะไรที่ทำให้เราโกรธเราก็ไม่ถือสาให้อภัยพอเราให้อภัยเขาได้เราก็จะหายโกรธหายโกรธแล้วเราก็จะไม่คิดถึงเรื่องเรื่องของเขาอีกต่อไปเราก็จะสามารถภาวนาทําใจให้สงบได้การแผนเมตตานี้เป็นเหมือนยารักษาโรคชนิดหนึ่ง ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบเวลาเรานั่งสมาธินี่จะมีโลกหรือมีอุปสรรคที่จะมาคอยกีดขวางการทำใจของเราให้สงบอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องใช้ยาต่างๆมามาแก้เวลาเกิดความโกรธท่านก็บอกให้แผ่เมตตาให้ให้อภัยกับผู้ที่เรากำลังโกรธอยู่ถ้าเราให้อภัยได้แล้วใจเราก็จะสงบ กลับมาภาวนาได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องเขาอีกต่อไปข้อที่สองนะครับขณะนั่งบริกรรมพุทธานุสติรู้สึกมีอาการอึดอัดเหมือนจะหายใจไม่ออกควรทำอย่างไรดีอย่าไปสนใจกับเรื่องอาการต่างๆอย่างที่บอกไว้เพราะมันเป็นเรื่องของมายาของกิเลสเวลาที่จะภาวนาแต่ละครั้งนี้จะมีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมา เจ็บตรงนั้นกานตรงนี้ปวดตรงนั้นมีการปวดศรีรษะบ้างมีอะไรต่างๆขึ้นมานี้เป็นเรื่องของเิเร ต, ตันหาของมายาที่จะมาสร้างอุปสรรคให้กับการภาวนาเราต้องคิดว่าทำไมเวลาเรานั่งดูหนังเป็นชั่วโมงชั่วโมงทำไมไม่รู้สึกอึดอัดเลยนั่งดูได้อย่างเพลินนั่งเล่นไพ่เล่นได้ทั้งคืนพอมาให้นั่งสวมดมนต์หน่อยเดียวเดีย ว, เ, ยวเกิดอาการทืทัดขึ้นมาทันที อันนี้ก็เป็นเรื่องของมารยาของกิเลสถ้าเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหายไปได้คำถามข้อต่อไปจากคุณกัสิพัฒนะครับทุกๆุกสัปดาห์ผมต้องรอที่จะฟังเทศจากท่านทางเน็ต ด, ด้วยใจจดจอ่อและการฟังผมก็จะฟังหลายๆรอบเพื่อเกิดความเข้าใจชัด และฟังธรรมเก่าๆตลอดสัปดาห์คำถามข้อที่หนึ่งการรออย่างนี้เป็นการติดคููอาจารย์ไหมครับคือการติดนี้มันก็มีสองลักษณะติดแบบติดยาเสพติดกับติดแบบยารักษาโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราติดแบบรักษายารักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เป็นอันตรายเช่นเราต้องไปหาหมอทุกทุกอาทิตย์ ไปรับยาจากหมออย่างนี้เพื่อรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายติดแบบนี้ก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าติดแบบยาเสพติดอย่างนี้ก็เป็นอันตรา ย, ยานั่นเราต้องแยกแยะว่าตอนนี้เราติดแบบไหนถ้าเราติดการฟังเทศฟังธรรมนี่มันเป็นการรักษาโรคใจของเราให้หาย จ, จากทุกภัยไข้เจ็บต่างๆการติดแบบนี้ก็เป็นความจําเป็นก็ต้องติดไปก่อน จนกว่าโรคภัยจะหายถ้าหายแล้วยังกินยาต่อยังติดอีกนี้ถึงเรียกว่าติดละอันนี้เกินไปแล้วเห็นคนกินยาแก้ปวดหายปวดแล้วก็ยังกินต่ออีกอย่างนี้ก็สแสดงว่าติดแบบไม่ไม่ถูกแล้วข้อที่สองปลาดิบที่เป็นปลาล้าที่ม า, ากับส้มตำรับประทานผิดพระวินัยไหมก็ถ้าเป็นของดิบก็ผิด ข้อที่สามการที่ผมพิจารณาอาริยสัจสี่อยู่เป็นประจำทำให้อยู่ทางโลกค่อนข้างลำบากอีกอย่างหนึง่งผมก็ตั้งใจรักษาสีแปดมาหกเดือนแล้วกราบขออาจารย์เทศช่วยชี้แนะการรักษาใจถ้าลำบากอยู่กับการ <c oughs> เป็นคารวาก็บวชเสีย <c oughs> <c oughs> จะเป็นลำบากทำไม คำถามข้อสุดท้ายนะครับจากโยมที่เข้ารับฟังธรรมในวันนี้นะครับการที่เราได้ทำบุญกับผู้ที่ถือศีลแปดแล้วท่านผู้นั้นอนุโมทนาและให้พรแบบพระพิสุถามว่าเหมาะสมหรือไม่และก็แปลความหมายด้วยคือยะถาวาริวหาไปจนจบ การให้พรนี่ขารให้พรก็ได้การให้พรนี่ไม่ได้เป็นการให้อะไรเลยเป็นแสดงความปรารถนาดีเท่านั้นเองเหมือนปีใหม่นี้เราก็ส่งสอคสอกันอันนี้ก็เป็นการให้พรเหมือนกันฉะนั้นใครจะให้ก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าพูดตามเขาเรียกกาลเทศะหรือว่าตามความเหมาะสมนี้ของบางอย่างนี่เราก็ไม่ควรที่จะไปใช้ถ้า ม, มันเหมาะกับผู้บุคคลชนิดหนึ่ง เช่นญาถาวรีนีเป็นเรื่องของพระให้กับคารวาะญาติโยมถ้าคารวะมาให้ต่อกันมันก็รู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่แสดงว่าตนเองก็ททำตัวเป็นเหมือนพระหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่การให้ไม่ว่าพระจะให้หรือคารวาะจะให้มันก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นกับผู้รับหรอกเพียงแต่เป็นจิตวิทยาท่านั้นเองผู้รับพอคิดว่าได้พอให้พอแล้วก็คิดว่าจะได้เลย ถ้าได้ปัานนี้ก็เป็นผ้ า, าหลานกันไปหมดแล้วนั้นเป็นเพียงแต่การแสดงความปาถนาดีซึ่งความจริงบทสวดญาติวาลิวหานี่ก็เป็นการบอกถึงอุณสงบัที่จะเกิดขึ้นจากการทําบุญของเรานี้เองว่าถ้าเราทําบุญแล้วเราก็จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละเป็นการแสดงธรรมเป็นการบอกเหตุบอกผลเท่านั้นเองแต่จะเกิดเนื้อไม่นี่อยู่ที่ตัวผู้กระทาต่างหากถ้าไม่ทําบุญแล้วมานั่งฟัง เขาให้พอรอย่างตอนเนี้ยตอนที่เราให้พรแล้วอยู่ที่บ้านก็ฟังไปด้วยแล้วก็รับพรไปด้วยแต่ไม่ได้ทําบุญแม้แต่บาทเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเข้าใจไหยผลของบุญมันอยู่ที่การกระทําไม่ใช่อยู่ที่การให้พรของคนนั้นของคนนี้เข้าใจแล้วนะอีกคําถามนึงครับที่เตรียมมาแต่ว่าพระอาจารย์ได้เทศไปบ้างแล้วครับ ในหมวดทานเนี่ยตั้งแต่อ่าให้ทานธรรมดาสังกทานจนถึงการให้ธรรมทานเนี่ยครับผลที่ผู้ทาจะได้รับเนี่ยขึ้นอยู่ที่อ่ า, อาประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือว่าผู้รับไมครับอาจารย์อ่าคืออันนี้ส์ที่จะได้รับกลับมาครับอาจารย์คือการทาทานเนี่ยมันมีองค์ประกอบสามส่วนด้วยกันคือผู้ให ผู้รับและสิ่งที่เราให้เนี่ยของทั้งสามส่วนนี้มันก็มีความแตกต่างกันเช่นผู้รับเป็นผ้าอาหารหันเนี่ยเราให้กับผ้าอาหารหันเราก็จะได้ธรรมะขั้นระดับผ้านั้นกลับมาอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องผู้ผู้รับของที่เราให้ก็เป็นของที่มีคุณมีประโยชน์ไม่เท่ากันให้อาหารเช่นใช้ปัจจัยสี่ที่อยู่อาศายารักษาโรค ก, กับให้ธรรมะนี่ มันก็มีคุณค่าต่างกันให้ปัจจัยสีก็เพียงแต่ช่วยดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปอย่างสุขอย่างสบายแต่ไม่สามารถทำให้ใจสบายได้ถ้าอยากจะให้ใจสบายก็ต้องให้ธรรมะนั้นท่านถึงบอกว่าการให้ธรรมะเป็นการชนะการให้ทั้งหมดนี่อยู่ในกลุ่มของของที่เราให้แล้ว ก, การให้ผ้าหลานพระพุทธเจ้าได้อนิสงสูงสุดเพราะท่านจะให้ธรรมะกับเราได้ เข้าใจมแ้วการที่ให้กับใครแล้วได้บุญมากหรือน้อยอยู่ที่ใจของเราว่าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าเราให้แล้วเราต้องการผลตอบแทนจากผู้รับอันนี้เราก็จะอาจจะได้หรือไม่ได้ถ้าเราให้เขาแล้วเขาไม่ทําตามที่เราอยากจะให้เขาทําตามแทนที่จะได้ความสุขเราก็จะได้ความทุกข์กลับมาแต่ถ้าเราให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับเขาจะด่าเรา cycle, เราก็ยินดีอย่างนี้เราก็จะได้ความสุขเพราะเราไม่ต้องการ ผลตอบแทนสิ่งตอบแทนจากเขาเราต้องการช่วยเหลือเขาต้องการให้เขามีความสุขให้ก็แล้วเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราหรือไม่เขาจะตอบแทนขอบใจเราหรือไม่เขาจะด่าเราหรือไม่เราไม่สนใจเราจะให้เขาอย่างเดียวอยากจะให้เขามีความสุขอย่างแม่ให้ลูกอย่างเงี้ยไม่สนใจให้แล้วลูกมันจะด่าแม่มันก็แม่ก็ไม่เสียใจถ้าแม่พ่อแม่รักลูกอยากจะให้ลูกสุขอยากให้ลูกสบายท่านเอง งั้นเราต้องมาพิจารณาปัจจัยสามส่วนด้วยกันในการให้มีความแตกต่างกันว่าเราจะให้แบบไหนให้กับใครให้อะไรผลมันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างที่ได้พูดไว้นี้แสดงว่าถ้าให้เนี่ยด้วยการไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยไม่ว่าจะให้ทานธรรมราจนถึงธรรมทานเนี่ยอันนี้สองเท่ากัน ในใจเราจะเท่ากันเพราะเรามีความสุขใจอิ่มใจเท่ากันแต่ผู้รับจะได้ประโยชน์ต่างกันถ้าเราให้ปัจจัยสี่เขาก็จะได้ประโยชน์ทางร่างกายถ้าเราให้ธรรมะเขาก็จะได้ประโยชน์ทางจิตใจถ้าเราให้กับพระอรหรันเราก็จะได้สิ่งตอบแทนจากพระอรหันต์กลับมาจะได้ฟังเทศฟังธรรมระดับของพระอรหันต์ที่เราจะไม่ได้จากการไปทากับปุตุชนธรรมดาดั้มันมีความแตกต่างกัน อย่างนี้ลนะ่ะก็ขอให้เราไปพิจารณาดูเอาคัาแล้วกันนะจะมาแจกแจงรายละเอียดแบบทียิบอย่างนี้ก็พูดไม่ไหวลนะเอาเลยคือการนั่งเมาะนไปอย่นถูกถูกแล้วต้องการให้มันนิ่งงนะให้มันนิ่งนานๆเพียงแต่ว่ามันเป็นขั้นแรกของการปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นสูงสุด พอออกจากความนิ่งมาแล้วต้องรักษาความนิ่งต่อไปเวะลาออกจากสมาธิแล้วพอใจไปอยากจะด่าใครก็ต้องให้มันนิ่งต่อพอใจอยากจะไปเอาเงินทองมาก็ยให้มันนิ่งต่ออย่าไปอยากท่านต่อไปก็คือต้องรักษาความนิ่งหลังจากที่เราได้จากการนั่งสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาเห็นขนมก็อยากจะกินก็ต้องหยุดกินอย่าไปอยากกินให้มันนิ่งต่อให้กินเฉพาะเวลาถึงเวลาจะต้องกินเท่านั้นถึงกิน แค่ถามพระผู้ใหญ่บอกว่านิ่งแล้วไม่ได้ไม่ได้เกิดปัญญาก็เนี่ไงก็ออกมาจากความนิ่งแล้วยใช่ใช้ปัญญาหยุดความอยากไงออย่าไปอยากเพราะของที่อยากจะทําลายความนิ่งพอเราอยากแล้วความนิ่งก็จะหายไปถ้าเราอยากจะรักษาความนิ่งก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากเพราะความอยากจะทําลายความนิ่งของเราอันนี้เรียกว่าปัญญาละให้เห็นว่าความอยากนี่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข อันนี้เป็นปัญญาขั้นต่อไปขั้นหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วออกจากความนิ่งมาแล้วให้รักษาความนิ่งไว้ด้วยการไม่ทำตามความอยากแต่ถ้าจะกินจะดื่มก็ต้องทำตามความจำเป็นไม่ใช่ทำตามความอยากร่างกายถึงเวลาต้องกินแล้วค่อยกินเหมือนกินยาอย่างงี้ร่างกายต้องดื่มน้าแล้วถึงเวลาต้องดื่มก็ดื่มแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาอยากจะดื่มก็ไม่ดื่มอยากจะกินก็ไม่กินเพราะมันจะไปทาลายความนิ่ง นี่เรียกว่าปัญญานะอละนะวันนี้คิดว่าสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมสูงขึ้นไปเถิด